ใจงูชายมันเป็นสรภาพนะทำให้มันเป็นมันก็เป็นโดยเหตุที่เราบอกไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจีงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราถ้าเราเราต้องบอกได้ เ, เราดูดูพระปัญญาของพระพุทธเจ้าโดยเหที่เราบอกไม่ได้ จริงไม่ใช่เราโอ้โหตัดทิ้งเลยพอใจมันยอมรับเต็นทีมก็วางใจมันก็ถอยออกมาถอยมาถอยมาถอยมาถอยมาไปไปหวานสปหวานหวานแล้วเจ้าค่ะโอเคคอร์สไปสดด้วยสดสด รามีหมอนัดมานัดมาแล้วก็ให้เรานอนกี่ว <rik> ัน เช็คดูว่าจะต้องนอนสี่วันเช็แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ยงไม่มั่มอว่าจะได้ครับเ็นลูกเป้ราชการไหมไม่มีเลยค้ะไมกเไม่มีจ้ะตัดทองตัดทองไม่ไมไม่้ไม่ใช้ตัดทองไม่ได้ใช้ัดทองไม่ได้ใช้เด้อยาการุณเด แล้วสองมื่นรูีเฮ้ยขึ้นห้าขึ้นห้าห ม, ม, มื่นขึ้นูปูีอ๋อล้วปู่คุณนีทักห้องห้องใหญ่พิเศษแรูปูป้านั่นบอกที่นี่ป้านันีลจะปนั่นเลยนนเลยที่นี่แท้จริงพอดีคุณพ่อมีเรื่องตอนนั้นมีเรื่องไตจึเลยพามาที่นี่จัง แล้วก็ปรากฏความาตรวจก็มาเจอเรื่องมีน้ําในสมองเป็นแบบเดียวกับกับในหลวงรัชกาลที่เก้าจ้ะคะต้องเอาออกทีนี้ตอนเนี้ยที่มารอบนี้ตอนแรกว่าตั้งใจจะต้องเอาน้ําออกอีกรอบนึงเพราะว่าเส้นมันตันจ้ะคะปรากฏพามาตรวจปรากฏค่าตายมันสูงมากหมอเขาเลยถามไม่ได้ก็เลยมีการเสดเชื้อก็เข้าไปครั้งที่แล้วออกไปเรียบร้องที่ไหนต้องต้องพาออกต้องเอาน้ําออกจากสมองจ้ะไม่ไม่ไม่ใช่เอาอะไร ลงไปแก็คือเขาจะใช้วิธีต่อท่อมาจากตรงตรงด้านหลังครับจากกระดูกสันหลังแล้วก็เป็นท่อต่อลงมาที่วิธีช่องคลองใช่อืมเป็นหน้าที่หมอแล้วหมอรู้เรื่องหมอก็ทําให้เราไม่ต้องการมันก็มันก็เป็นมันมีของเราอื เรียบกับหมอวินิชัยปสยุบใสยาไปเราภาวนาสบายไม่ต้องห่วงละเอา 3, เอ็มพีสามมาฟัง <c oughs> เอาธรรมะกรอกหูเลย <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวกิเลสมันจะดึงไปอ่ะดึงไปนึกไปคิดไปยุ่งไปวุ่นโดยที่ไม่ใช่เรื่องไ <c oughs> ม่ใช่เรื่องก็ต้องไปวุ่นเพราะวุ่นใดมันก็ไม่หายต้องหมอ <c oughs> พุ่ได้ก็ไม่หายต้องหมอก็มันเป็นงานของหมอนักเสี่ยของเราก็ดูผู้รู้อย่างเดียวดูผู้รู้อย่างเดียวดูผู้รู้แล้วก็ดูอาการที่เป็นดูอาการที่เป็นดูมาที่ผู้รู้ดูผู้รู้ดูไปที่อาการที่เป็นดูที่เป็นดูมาที่ผู้รู้ดูแค่นี้แหละดูหาข้อแตกต่าง แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะหินหินรับมีดหินรับปัญญาตัวภาวะที่มันเป็นนะคือคือกองทุกภาวะคือมันเป็นทุกโดยเหตุที่มันไม่นิ่งมันไม่อยู่กับที่มันทุกโดยที่มันไม่อยู่กับที่มันไม่นิ่งทุกอีกอันหนึ่งก็คือเกลียดกลัวทุกอีกอันหนึ่งก็คือมันไม่นิ่งมันไม่อยู่เท่าเดิม เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนั้นมาเป็นนี้เปลี่ยนนี้มาเป็นนั้ น, นทุกยอมทุกเซลในร่างกายของเร า, าเนี่ยไม่มีเซะไรอยู่คงที่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถ่ายไปถ่ายมหาถ่ายม า, ถ, า, ยมาถ่ายไปตามภาวะของมันตามกระแสะของธรรมชาติกระแสอันนี้แหละที่ครูเจ้ทาท่านว่าใครมีใจปลงปล่อยในสิ่งเหล่านี้ได้คนผู้นั้นเข้าถึงกระแสะธรรมนี่แหละคือกระแสะธรรม กระแสธรรมก็คือกระแสหลักของธรรมชาติที่มันเป็นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่คงที่ไม่ได้เป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นศัตว์เป็นคําพูดเป็นเป็นพระดรํารมของพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขงังไตร ล, ลักษไตร ล, ลักและอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจา้ายืนกับตายขาเดียวเลยใครมาขัดแย้งก็ขัดแย้งไม่ขึ้น โดยที่พองมองเห็นเป็นอนัตตานี่เองตรงถึงเข้าถึงบรมสุขได้พวกกรามเข้ามองไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอาจจะมองเห็นอ น, นิจจังทุกขงังแต่ไม่มองไม่เห็นอนัตตาก็เลยยึดอยู่ยึดอยู่ตัวยึดเนี่ยคือตัวอัตตาตัวยึดอีกตัวอัตตาวิธีวิธีทําคลี่คลายทําไงแล้วก็ดูกองทุกดูมาที่โรู้ ผู้มันมีปีกิริยาอยไรกับภาวะที่มันเกินดูภาวะที่มันเกินก็ย้อนมาดูตัวผู้ผูรู้ผู้รู้คือจิตในขณะที่เราทํามันแยกโดยอัตโนมัติแล้วมันเมื่อก่อนนั้นเราไม่เคยดูเราไม่เคยแยกเราไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยยิ่งหรืป่าเวลามันเจ็บมันปวดมาเราเอาเจ็บเราเอาปวดพอเราดูไปดูไปมันเป็นภาวะที่มันแยกก็มาอ้าวสิ่งที่ปวดมันตั้งหากผู้รู้ว่าปวดตั้งหากมันก็ละอัน ธมรมะของพระเจ้าละเอียดนะแยกกันหมดจนจนจนไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราถ้าเราเราต้องบอกได้อย่าเปลี่ยนนะคงที่นะ <c oughs> เป็นเป็นสุขขังนะอย่าเป็นทุกขังนะ <c oughs> เป็นอัตตานะเอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเป็นนิจจังนะเที่ยงนะอย่าเปลี่ยนแปลง น, นะไม่มีอะไรอยู่คงที่ทุกย่อมของเซลล์ของเราทำ ง, งานทุก ขนาดทุกเวลาเวลานาทีกองสังขารกองสังขารคือกองงานไม่มีส่วนไหนที่มันอยู่คงที่เท่าเดิมนี่มีนั่นคือภาวะของมันไม่มีใครบอกมันเป็นธรรมชาติของมันมีทุกตัวตนมีแม้แต่อย่างนี้มันก็มีความคงทนของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปของแข็งหน่อยก็เปลี่ยนช้าหน่อยเป็นเพชรเป็นสเตอร์เ เป็นเหล็กกล้าเป็นอะไรต่ออะไรอีกล้านล้านปรีมก็จะเปลี่ยนรูปก็จะเปลี่ยนไม่ใช่มันเจด p r o l o ที่อยู่างนั้นตลอดไปสิ่งที่คงที่ในโลกมีไหมมีถ้าจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตหนึ่งเดียวของพระพุทธเจ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงจิตที่บริสุทธิ์ของพระอาหารหันต์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะช้าล้างหมดสิ้นหมดไปแล้วตอนที่ช้าล้างอย่างไม่หมด ยังเป็นสภาพของกองสังขารอยู่คือมันมีสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไ่ายทีเรียกว่ากองสังขารเวลามันมาเกี่ยวข้องกันภาพมันจะไม่อยู่เท่าเดิมจะเปลี่ยนไปอยู่เท่าเดิมไม่ได้เป็นทุกขันเปลี่ยนไปเป็นนั้นจังเราไปกระเเกยียยให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ทั้งนั้นเราพิจารณาดูอย่างนี้แล้วเรามาเห็นว่าเราพยายามไปเครียดว่าคนนั้นต้องทำให้ถูกใจคนนี้ต้องทำให้ถูกใจคนนี้ต้องทำให้ถูกใจโอ้ยหหยาบมาก เราก็ยังมองไม่เห็นอยู่นั่นเลย <c oughs> ถ้าเราเจาะมาทะลุมาถึงที่นี่แล้วออันามูเป็นของขี่ออกไปโหมดิไปกเกะเกลารายได้จะเห็นถึงวางได้ในนใจมันวางไม่ได้อันนี้เป็นหลักธรรมะนะศึกษาเอาสังเกตสังการเอาพิจารณาเอาเรารู้เราเข้าใจแล้วมันปลงมันปล่อยโดยอัตนมติเพราะมันมันไม่เหมือนเราจับของแล้วเราก็วางแล้วเราก็ปล่อยไม่ใช่ การปล ong การปล ong การปล่อยในที่นี้หมายว่าเข้ามารู้มาเห็นแล้วก็หมดสงสัยโอ้มันเป็นอย่างนี้ภาว่ามันเป็นอย่างนี้มันปล่อยเข้ามาเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยก็ปล่อยแต่พระบาทาาาอาจารย์ท่านใช้คําว่าปล่อยท่านใช้คําว่าวางท่านใช้คําว่าผ้าท่านใช้คําว่าละใช้คําไหนก็คือ อ, อันเดียวกันความเข้าใจหีืเนาะ แล้วพวกเราฟังเข้าใจไหมหลานลูกอนี่พี่เทดอีกทีหนึ่งอค่ะอ๋อคนโตคนโตอ๋อห่างกันปีอ๋อแม่เข้าเข้าเพื่อนแม่เข้าบ้านนะแม่แม่ตอนนี้อยู่มอจีนแม่ไปมุกงจีนแม่ไปวัดเซาหลินเนยครับไปเซาหลินเจ้าค่ะไปได้ละยวันละ ไปไปปลายเดือนที่ไหนสัก่เจ้าหนิเจ้นมีอะไรให้ดูเดี๋ยวนี่แม่ไปแม่เหมือนแม่ไปวดปวแม่บอกม่ไปบวดวแบบจีน่ะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ตรอมผมนะจ้าพ่อปู่ก็ไปใส่ชุดสีออกเทาเาอยู่ในบแบบแบบบแบบีนทหารบทแบบขาวถ้าถ้าถ้าบ้านเราก็ผ้าขาวบทอาจารยชีบทชีแต่ไม่ได้โคบและถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็ชีพราม ไม่ต้องโกนถือสิมแล้วก็จะบวชกี่วันบวชแบบไปหกเนี่ยค่ะแม่บวชอาทิตย์หนึ่งค่ะวัที่1ก่อนหน้านั้นก็ไปเป็นทวดแม่บวชแล้วก็อธิษฐานให้พ่อหายใช่ไหมหายเจ็บหายป่วหายไข่เกื้อคูลทันส่วนบุญส่วนนี้เราอุทิพย์เผื่อแผ่แบ่งเบาแก่กรรมกันได้ บุญแต่เราทําบุญแล้วก็อธิษฐานให้ให้ให้ให้หายเจ็บหายปวดมีเสียบเบี้ยวแม่เข้าโรงพยาบาลแม่อายุเก้าสิบสองพ่ออายุเก้าสิบหกแม่เข้าโรงพยาบาลพอแม่เข้าโรงพยาบาลวันนั้นเขารู้ว่าเราเขารู้ว่าเราทำอะไรเนาเราไปช่วยน้ำท่วมที่นายุงเราก็ไปหาข้อสาร ไปหามาม่มาแล้วก็ น, น้ำแล้วก็มีปัจจัยเหลือหมื่นหนึ่งเปรียบเดี่ยวเขารู้จักจก็ก็ททำบุญมาห้าพันเออเดี่ยวห้าพันไปด้วยกันเลยได้หมื่นห้าโอทิศชงบุญให้แม่เนอะเอาคุณงามความีทั้งหมดนี้ช่วยแม่แมเขาบอกแม่รับคืนดีเร็วมากค้าวก่อนกันขราวก่อนพ่อผ่าตัดที่พวกเราไปปล่อยปลาเนี่ยนั่นแะ เบี้ยวว่าแปลกมากเลยอดีขึ้นรวดเร็วปล่อยปลาเนี่ยไอ้ปล่อยปลานี่อันนี้สมแรงนะเราไปเราก็สังเกตสังการดูตัวเราเหมือนกันนะว่าอันนี้สมปล่อยปลานมันแรงเบาสบายปล่อยปลาปล่อยปลาสองครั้งเพลิเพลิไปทั้งสองครั้งเปล่าไปทั้งสองครั้งไปเป็นไปเป็นเลขฐาจดน้ำหนักปลา เปนทำเวลาพาไปปล่อยรับบุดตัวละสี่กิโลตัวละห้ากิโลตัวละสิบกิโลสิบสองกิโลตั้งเท่าไหรเจ็ร้ยกว่ากิโลเหรอเจ็ดร้อยกว่าโอ้โหปลาเกเหมือนหมอเอาปลาไปปล่อยน้ำโขงปลาบุดตัวไม่ใหญ่นะสองสาอยโลก็มีปบุดโตกับเราเนี่ยโตกับคนเราเนี่ยนี่พวกเราหนึ่คนละหกสิบหกสิเจ็ดสิบโลเท่านั้นเองปลาบุดตัวเรเป็นร้อยโลอะ เราไปปล่อยกับจิมจิ้มกายเพื่อนหนึ่งหูยายไม่รู้ตะกี้ดียร้อยกโลม่รู้ตีพับพับพับพับพพอไปปล่อยปับน้ําไหลน้ําไหลไปโน่นพอเขาเขาเอาผ้าเต็นท์เนี่ยใส่ในกระบะรถเอาน้ํำใส่เมันก็อยู่แล้วปลาใส่ลงไปนั้นมันก็นอนพับพับพัพับับสองตัว เสร็จแล้วเขาก็เอาบอสนี่ย้อนลงไปแล้วเขค่อยดึงกลามัก็ลงไปพอลงไปมันก็น้ำก็ไหลพอโดไปประมาณสิบเมิต์น่ะเราโดใช้โยทั้งสองตัวเลยปลาสองตัวนี้แปลกมากก็โดไปพอเลยไปสิบกมิต์ท่านหนึโดเหมือนกับบอกชอบดีแล้วโชคดีไปไปปลาตัวนี้มันเป็นปลาเลี้ยง จะปลดปลอนแต่ว่ามันเป็นปลาน้ํานิ่งไปอยู่ในปลาน้ําไหลมันจะอยู่ไหวเปล่าก็ไม่ร้ปลาบึกหรปลาบุกปบึที่เราปล่อยไว้นั้นอย่างนั้นเหรไอที่เราปล่อยก็ยังห่วงอยู่จนตอนหล้างมาเราเรามันค่อยจะเน่ใจไปเขาบอกว่าถ้าเราจะปล่อยเราไปปล่อยไอ้พวกปลนไหลปลาดุกไปลช่อนอะไรที่เขาขังไว้ไปปล่อยพวกนั้นเพราะไอพวกนั้นมันใกล้จะเข้าปากคนแล้วไปปล่อยพวกนั้นจะแน่นอนกว่า อันนี้ไปจับในฟาร์มเลยเอาอวนเป็นลากจับในฟาร์มเลยตลอดเขาบอกเขาบอกว่าบางทีน้ํานิ่งปลาน้ำนิ่งไปปล่อยน้ําไหลมันอาจจะไม่ดีก็ได้อาจะตายก็ได้วันนั้นที่เราไปปล่อยเยอะแยะเนี่ยตั้งหกเกืบ้อยกิโลเนี่ยมันก็มีออนมีเปลียนมีไงท้อมัอ่ ถ้าเราไปปล่อยแล้วเจอภาวะแบบนั้นเรา ก, นะก็ใจเสียเหมืนกันนะเราก็ใจเสียเรามีใจเสียแต่ถ้าไอ้ที่มันใกล้จะเข้าปากเขาจะซื้อไปเข้าหม้อแล้วเนี่ยเราอานี้ไปปล่อยตัวไหนที่มันแรงดีดเอาไปปล่อยจะปล่อยน้ำนิ่งแบบนี้แบบนี้มนแน่นจริงแล้วนี่นนนมันเครื่องูุยมันรู้เมตตาเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเรา ช่วเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราเห็นดูเขาเขาก็เห็นดูเราปรารถนาทนาดีกับเขาเขาก็ปรารถนาดีกับเราอันนี้มันเป็นวิชาของพระพุทธเจ้กากับพวกพยามารคุยกับเขาเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอพวกพยามารพยามารคือเขาก็าฟังไม่รู้เรื่องหรอกใจก็ไม่ปวดนะไม่ปวด <c oughs> ไม่ตัวปสัสส า, าวะอะไรปกติมันมีเชื่อวชื่อในส า, าให้ยาขับไม่ไดนะ้เขให้ยาทำทำเส้นเลือดอย่างเงี้ยจะขัวันนี้ลยลังใหเออ้เขาสลับกันระหว่างยากับน้าเกลือจ้ะอ๋ อ, อน้เกลือช่วยอดูอออสดใสดีนะวันที่วันที่มาโรงบานนี่คิ้วกันมาเลยคือพ่อทิ้งน้ำหนักไม่มีแรงเลยสองรอบนี้คือไม่มีแรง หมดแรงหมดแพะตา ย, ยังคุณหมอเองก็ไม่แน่ใจในสาพตายติดเชื้อแต่ว่ามีมีภาวะที่เกลือแร่ต่ำด้วย ม, มันเป็นภาวะที่หลีกไม่ได้มันเป็นมันเป็นสมบัติของทุกคนเ <c oughs> จ็บแค่ได้ป่วยเป็นสมบัติของทุกคน <c oughs> แาะพุทเจ้าสัญโยงถึงศีล ไอ้ออดอดแอแอดอยู่นั่นะว่าคนนั้นเบียดเบียสัตว์มากใครทำลายสัตว์มากอายุสั้นใครเบียดเบียนสัตว์มากออดออแแอยู่นั่นแหละเพรนั้นนักษาศีลได้ช่วยช่วยให้เราปราจากโรแต่ยังไงร่างกายมันก็ต้องเป็นรังของโรคอยู่นั่นแหละแต่มันน้อยเป็นเล็กๆน้อยๆก็ต้องเป็น ร่างกายของวนมันเป็นร่างโทคร่างกายเป็นร่งของโรคทุกอย่างทุกเซลล์ของมันมันทํางานหมดทำไปทํามาทํามาทำไปมันมีส่วนขาดส่วนเลย ม, มีมีส่วนเกินมีส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนอะไรไมันไม่สมดุลกันเพราะขาดความสมดุลอ้าวเร่งมาเกาะแล้วไตมาเกาะแล้วมะหวานมาเกาะแล้วนี่คือร่างกายขาดความสมดุล น, นี่เรา เราก็ไม่ใช่เป็นหมอหรอกฉันไม่รู้เรืองหรอกเป็นหมอเนีแต่เรารู้ว่าสังขารมันทํางานอย่างนี้แหละสังขารก็คือโรงงานทําไปตามปกติดของมันมางทีมันก็ผิดปกติผิดปกติมันก็ผิดิพอผิดตัวนี้ต้าอ้าวระเทือนถึงตัวนู้นอ้าวะเทือนถึงตัวนู้นกลายเป็นนี้ก็อันนี้ก็เป็นอันนู้นก็เป็นคือมันกับความดันเบาหวานหัวใจอะไรมันเป็นเหมือนกันหมดหรือเป็นข้อเทียมความดันเบาหวานหัวใจ มันเป็นสายพันธุ์อันเดียวกันเรเป็อันหนึ่งแล้วมันโยงไปที่อันหนึ่งเป็นอันหนึ่งแล้วก็โยงไปที่อันหนึ่งเราเนี่มันเป็นที่เราชอบปวดยังอย่างไรเลไปเช็คขาดแล้วไม่กี่วันเนี่ไปเช็คไตไตก็ปกติไขมันฉันเต็มมันชั้นเต็มเนยชั้นเต็อะไรมันก็ไม่มีไขมันนะไขมันเท่าไหร่นะไขมันก็ไขมันปกติอะไรสองร้อยของเราไม่ถึงสองร้อยด้วยซ้ำ มะเร็งทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องมีอะไรนะจุดศูนสี่ของเราเนี่ยสามมาถึงสี่เลยส้าไปสี่เนี่ยถือว่าเกณฑ์ปกติแต่ถ้าตั้งการทํางานไปทําไปทํามาทํามาทําไปมันทําผิดปกติเข้ามามันจะเพิ่มไปเรื่อยเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดมันเพิ่มไปสิบยี่สิสาสิบสี่สิบขึ้นไปเนี่ยต้องวิ่งรักษาแล้วทําะรักษาเรื่อลามโรคมะเร็ง คือทุกคนจะมีเชื้อมะเร็งจะมีเชื้อมะเร็งนะถ้เราพยายามทำวัคซีนซะ <c oughs> มะเร็ง <c oughs> เฮ้ยเราก็มีเราก็ ม, เกมีเราคิดอย่างนี้เราไม่ต้องไปห่วงเป็นหุ้นเันีน้ออะไรนี่นี่เลยนะโอ้ยมะเร็งก่อมะเร็งก่อน่ออ ในร่างกายกับวบัไทยไข้เจ็บมันก็ไปด้วยกันรับป็นด้วยกันกับหมอกับยาไปด้วยกันมีสิ่ง น, นี้มีอยู่ปรจําโลกคื็นช่อวัดไปรักใายรักครอบคลุมไปหมดทุกจักรวาลที่หลวงปู่มัน่นท่านพูดคือว่าสวดมนต์เนี่ยสวดในใจสวดเบาๆพอได้ยินคนเดียวพูดสวดเสียงดังทําดา เสียงตะโกนเอาตโบนตะโกนเสวัสเสียงดั ง, ดงแรงๆเสียงธรรมะอันนี้มันต้องไปอ น, น, กกนันตจักรวาลทําอนันตจักรวาลโอ้โหใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ น, น, กกนันตจักรวาลไม่มีที่ขีดที่ขั้นหมื่จกก น, นจักรวาลแสงจักรวาลแสนโกดจักรวาลอนัอ น, นตจักรวาล มันจะดังขยายไปเรื่อยปเรปเๆ อ, อ, อะไรพาดังไปรู้จังไหมร็ทึกนี่แหละไตรลักษณ์นี่แหละนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อวานเราไปพูดธรรมะที่พยักอำเภอพยักเราบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีบัณเสื่อมเพราะหลักของพระพุทธศาสนานั้นคือหลักของไตรลักษณ์มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ตั้งเดิมในโลกประจำโลกแต่คนที่จะมาขุดคุยหรือคนเห็นไตรลักษณ์เนี่ย ต้องเป็นพุทธบรมีไมงั้นไม่เห็นทุทกดาบดัลลาธดาบทท่านไม่ใช่พุทธบรมีท่านเป็นท่านเป็นศาสนาพราหมยุคนั้นในสมัยนั้นศาสนาพราหมที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจา้าท่านไม่ใช่เป็นพุทธบรมีแต่ด้วยเหตุที่ ว, วิธีการบำเพ็ น, นให้เกิดความสงบทางด้านจิจใจมันมีมาทุกๆ ท, ท, ทุกสมัย เขาสามารถบำเพ็ญได้รู ป, ปัสมะบาตอรู ป, ปัสมะบาตพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์พิจารณาอากาศพิจารณาวิญญาณพิจารณาสิ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์พอเวลาจิตเข้าไปถึงโอ้มีฤทธิ์นี้เดชนี้วิญญาณดำบินบินบนดำบินได้บินบนได้ <c oughs> เป็นพลังของจิตแต่ก็ไม่เห็นไตรละ ค้นไัไม่ได้พอพุทธยา่าท่านไปเรียนจบท่านไปเรียนเป็นนันจบสมาบัตรแปดอ่ะอาจารย์บอกว่าความรู้เราหมดแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบสมาบัติแปแล้วแต่ว่าทุกทั้งหลายยังกองใจมนวดใจเอ๊ะทำไมยังมีรองทุกกองอยู่เนี่ยทำไมยังมีทุกกองอยู่น่าจะไม่ใช่แต่ด้วยเหตุที่พระองค์เป็นพุทธะเป็นบา ร, รมีของพุทธะ มันฉลาดมันเฉียบมันไวต่อความรู้สึกโอ้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยันเลยลาอาจารออกมาอาจารย์เหล่านั้นก็รู้จักว่าว่านี่พ้นยังรู้จักนี่เป็นมหาบุรุษนี่คือมหาบุรุษคนสมัย น, นั้นอะ่ะคนคนขนาดนั้นระดับนะ้นเขาเรียกมหาบุรุษมหาบุรุษสามารถพามุษข้ามพ้นจากโลกอยากสงสารได้ ตงก็ต้องมาบำเพ็ญอย่ากนั้นมาระยะเวลาเท่าไหาไระนะ่แล้วเราก็ไม่ทราบนะเราเราไม่ได้ไปดูในตาําราเรามเรียนเรียนน้อยไม่รู้ท่านไปทรมานอะไรอีกตรงก็ยังมาทรมานร่างกายอยู่นั่นแหละกัดฟันกับฟันกัดเฉยๆนะไม่ได้ดูกิเลสว่าอะไรจะอะไรจะเป็นอะไรไม่รู้นะแต่มันเป็นยุคที่สมัยนั้นเขาทำกันเอาลิ้นกดเพาดาน ก็อนลมหายใจลมออกทางปากไม่ได้ทางจมูกก็ได้ลมมันออกทางหูอเสียดเสียในท้องลมดันลมไม่มีที่ออกจากนั้นมากดอาหารกดตั้งแต่เสวยอิ่มปกติทําดานแล้วทีละคํำทีละคําทีละคําทีละคําทีละคำเหลือลดลดลลงไปเหลือหนึ่งเม็ดถึิโลกรมกลจะถึงหนึ่งแม็ดร่างกายบอบช้ำขนาดไหนเนะ เดินไปไหนจะโซส่าโซเซจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ชีวิตจริงซีมันจะขาดสีก่อนชีวิตจะขาดสีกส่อนเลยหันมาสเสวยพระคยาหาเน่ hey! ้นตํานานปัญจวัคคีคิดว่าพระพุทธเจ้าคลายความเพียรโอ้เสียอกเสียใจมากลุษะตามไปเพือ่อที่จะรู้จะเห็นเห็พระพุทธเจ้าหันมาเสวยพระคายาหาเสียอกเสียใจร้อ ง, องห่อร้องไห้ลาไปแล้วผิดแล้วถ้าเราเดินทางผิดแล้ว ไม่ขอร่วมทางอีกแล้วนูนู่นไปอยู่กันคนละแควนจากแควนราชพฤกษ์ไปอยู่แควนกาสีเหมือนพระนศีเมือนเดินทางไปถึงสิบวันเดินทางท้ากล่าสิบวันเอ๊ะทําไมท่านเดินได้สิบวันเราไปนั่งรถทำไมมันไกลเฮ้ยไกลเราไปนั่งรถเป็นวันนะจาราชพฤกษ์ไปพระนสีอ่ะนั่งรถไปเป็นวันก็เดินยังไงสิบวัน บุทธิเจ้าบำเพ็ญแบบนี้มีใครกลัวแล้วนี่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเลยวันนั้นยังมาพูดถึงวันตรอดโปรงมาสมาัยพระกยาน ม, มีกําลังมีเรี่ยวแรงมีอะไรก็มาถึงที่ว่านางชุชาดาถวายข้าวมัชุปลายาดนางชุชาดาเนี่ยความปรารถนาสําเร็จปรารถนาขอให้ลูกคนคนโตนเป็นลูกผู้ชายได้ลูกผู้ชายปรารถนาขอให้ได้แต่งงานกับ สามีที่มีทรัพย์เท่ากันได้คือสงสงความปรารถนาพอสงความปรารถนาแล้วจะไปแก้บวนว่างั้นเถอะจะแต่งเครื่องสังเวออย่างดีไปเรียกเทวดาที่ต้นโพให้นางคนรับใช้ไปดูไปดูพระพุทธเจ้ า, าท่านกำลังภาวนาอยู่นนที่ต้นโพตอนนั้นรัศมีของท่าน ล, ลังเปล่งปลั่งวันที่พระองค์จะตรัสรู้นี่รัศมีของพุทอง เหมือนอะไรวักออกรัศมีวันที่จะพระนิพพานเหมือนกันวันที่จะตรัสรู้เหมือนกันรัศมีนี่จะไม่เหมือนธรรมดาจะออกเปลวรัศมีเขไโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าเทวดาเทวดาเทวดามาคอยเลยวเ <c oughs> ทวดาไม่คอย <c oughs> เอาเข้ามาทุกปายาไปถวายมาก็ไม่เห็นบรรดาได้หายนำเชียด า, าเศร้าไปถวายาทั้งถาทองคํา องค์ก็เอาไปปั้นปั้นได้สี่สิบเก้าก้อนไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ําเนรำชะลาเสว่เสร็จแล้วก็ลอยถาอธิษฐานรอยถาถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสนะำถาดก็ลอยทวนกรนะแสน้ำคิดว่าอะไรถาดถาลอยทวนก็บารมีของพระองค์แหะหรือเทวดาช่วยจับยกไปก็บารมีของพระองค์นี่บารมีชนะทุกอย่าง ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราเรานี่ยโอ้ดีใจตายแล้วสมหวังแล้วสมหวังแล้วอืมีใครยากเพื่อนน้องพลอยลูกสาวลูกสาวฮะลูกสาวคนโตที่เรียนหมอเจ้าค่ะปู่อ๋อลูกสาวเราที่ที่เรียนอออะไรนะชื่ออะไรนะน้องพลอยเจ้าพลอยพลอยมาที่หลังหมูได้ลพลอยะ <range> นนนอืมอเ็นนนแล้วเวลาใกล้ค่าเดินกลับเดินกลับมาที่ต้นโพเดินจากฝั่งแมน้นำในรังชราฝั่งมาที่ต้นโพ ระหว่างทางเขาก็ถวายยญ้าคาแปดกลับเอาไปปูเป็นที่นั่งด้านหลังอันหลังหาต้ น, นตโพอันหน้าไปทางดาง้านตะวันออกและก็บางตําราก็บอกว่าเขาอธิษฐานให้เป็นให้เกิดเป็นวัชระอาต์คือบรรลังเทศเป็นบรรลังเทศที่เรียกวัชระอาต์ที่ว่าพยามารไปกล่าวตูนะบรรลัง ของเราไม่ใช่พลังของท่านนี่พยานของเราเต็มไปหมดลูกของเดี๋ยวนี้พยายามมายพลังวัชระบารมีเกิดจากบารมีของเราที่ใครเป็นพยานท่า น, นอ่ะโอแม่ธรณีโผล่ขึ้นมาแล้วฟังเป็นบุคลาพิฐานแค่ท่านทําบุญและอุทิศส่วนบุญแล้วก็หลังน้ําลงสู่พื้นดินนี่ก็ติดมวยผมนิดนี้ไปหน่อยเอง เขาเลยเอามวยผมก็มาบีบน้ํำกระไหลจ้าท่วมพญามารตายหมดเปิดหนีเลยยกชนะศิษยสงครามโดยไม่ต้องต่อสู้อะไรที่าพระองค์ชนะพญามารตั้งแต่หัวค่ํพาุดแล้วพอปฐมยามได้บรรลุยานอย่างหนึ่งแ ล, ลึกย้อนหลังได้หมดเกิดกีชาติกีชาติกีชาต์าา ล, ลึกย้อนได้หมดไม่มีจบพอยามท่ำกลาง เห็นภพชาติของสัตว์อะเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายโดยอำนาจของกรรมเกิดทำกรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้ทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นไดครับผลอย่างนี้เพราะทำกรรมอย่างนั้นมาเห็นแจมแจ้งหมดดูไปเท่าไรไม่มีอดไม่มีอัานเห็นจะเกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายภพชาติของโงเกิดตายกิดตายภพชาติของสัตว์อะไรเกิดตายเกิดตายเอออะไรเป็นเห้เกิดให้ตายกันนี่โดยเหี้ยที่พระไัยของโกงมีสมาธิอรูปสมาบัติโอ้ย เอาจิตเป็นหนึ่งเดียวมาทำอะไรก็ได้ไม่มีล็กแลกไปอย่างอื่นเหมือนพวกเราแหละเราทานี่มาถึงหา้านทีไปเนี่ยไปเ น, ปเ น, ปเ น, นี่ไปเน่ดึงกลมาอีกไม่ไม่พอสมนาีไปแล้วคืกจิตมันไม่มีสมาธิของท่านเอามาใส่อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วพิจารณาคนนค้าสิ่งเหล่านี้พ้คนคว้าไปค้นคว้ามาในปัจฉิมารู้สึกว่าไอ้กิเลส ท, ที่มันกองอยู่ในหัวใจมันมันละลายหายไปไหนหมดกัมัน ด้วยตปักธรรมปิจนาตามหลักอนิจจังทุกขังอ น, าานิตจาร์เพราะด้วยด้วยเหตุที่เรายึดไม่ได้อะไรไม่ได้หรือ ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อันตายตัวตนของเราก็ปล่อยต่อเพราะฉะนั้นธรรมะของพระองค์จองมีธรรมะเหล่านี้เป็นแกนเป็นหลักในการสอนเพื่อเร า, ใ ห, เราให้เราเจริญสังขารเจริญปรัชนาเพื่อที่จไปเห็นลักษณะของสังขารเหล่านี้แหละเพื่อ การยึดการถึงเริ่มำนาของตัญหามันจะ ล, ลดไปลดไปลดไปลดไปวันอาทิตย์ก็เรียนเหรอวันอาทิตย์วันนี้หยุดจ้ะค่ะวันนี้หยุดอืมอ่าอ้าวตอนนี้เลยเอาข้ามา มันมาหลาัว ให้อธิษฐานให้ให้ปู่ปู่ใช่ไหมฮะนี่ปู่ขใช่ไหมปู่้เป็นตาจ้ะเป็นตาอธิษฐานให้ตาหายนหายคืนได้กลับบ้านเรองโร่มใสของพวกเราไป ไปที่ยังอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าคนป่วย <laughs> ในหลวงท่านอยู่ดีสบายท่าก็อยู่ที่โรงพยาบาลป่วยหรือไม่ป่วยก็อยู่โรงพยาบาลสบายไปเลย <laughs> ีิมัน พังสุขุเลก่วรังสสามีกังนห allora. ังประนาฏิกนั้นพงสุขุลก่วรังสสะมกันหังพระนาฏิกนั้นังสุขุเล่งวรังสสมกันหงรปนาฏิกอืมอืมอธิษฐานให้พ่อ้พ่อไปข้หลอ่ไม่อธิษฐาน้พ่อพ่ออธิษฐาน่อ่า โอ้ยยันมีแรงสบายเลยเจเท่าไหร่ 78, นะเจแจะเจ็ด78แแม่เท่าไหร่แม่เี่ แ, แม่74สบแม่ไปบวชไปบวชีสบายเฉยเลย บุญจะเกิดในใจของใครได้นั้นจะต้องมีกิริยาประกอบกิริยาด้วยกายไปช่วยหยิบช่วยยกช่วยจับช่วยควนช่วยควายกิริยาด้วยวาจาคำพูดช่วยบอกช่วยแนะช่วยเตือนช่วยชี้ช่วยนำช่วยอะไรตัวอะไรเป็นกิริยาเกิดดินด้วยกายกายกรรม ด้วยวาจาดวยกิกรรมด้วยใจมโนกรรมสำคัญที่สุดคือมโนกรรมตายก็ต้องมโนกรรมวาจาก็ต้องมโนกรรมบุญจะเกิดที่ใจโดยตรงได้นั้นจะต้องเปิดใจรับเอาบุญอันโมทนาสาธุไม่ทิไม่นึกอิจฉาไม่นึกริษยาไม่นึกเสียดายไม่นึกอะไรในสิ่งในของถือว่าเราทําแล้วเราเร า, เราได้บุญตอบแทน เกิดวความปลื้มใจปีติยินดีนี่คือยินแต่สมมติเขาทำปั๊บเนี่ยเรานั่งสะบือซื่อยืเอนเฉยไม่ได้อะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้ปวดใจรับเอาใจนี้เปิดใจรับเอาคืออนโมทนาซาตุปลื้มยินดีด้วยอะไรด้วยวปวดใจรับเาอาแม้แต่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วถ้าใครอยู่ในฐานะที่แก่รับได้มาอนโมทนาสมุตาราโอที่สมบูรณ์ไปปับ เขาซาทุกครับเอาดิมันเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิทันทีเลยเพราะความใจดีความปลื้มปีติความยินดีของจิตนีนะ่แหละมันเปลี่ยนสภาพของจิตจากระดับหนึ่งไปอีกเป็นอีกระดับนะึงบุญมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนที่ใจก็เหมือนอย่างที่น้องปู่มั่นน่ะท่านเห็นพวกพวกนั้นนะ่ะทั้งพี่ทั้งน้องนะ่ะไปเป็นวิญญาณไปปรากฏท่านตะวันตะวัทนท่านภาวนาถามไปว่า เ ข, เขาสร้างเจดีย์ยังไม่เสร็จพอดีพากันตายซะกอ่อนทั้งพี่ทั้งน้องนะแต่น้องนี่เป็นเนนพี่พี่เป็นพี่สาวเห็นสองคนพี่น้อมาปรากฏวันดวงมาปรกาปรกฏในนี้ไม่ท่านท่านเลยถามถามบอกว่าสร้างทําบุญสร้างเจดีย์ยังไม่เสร็จแต่ว่าตายซะกอ่อนก็เลยหวงหวงเจดีย์ไม่ได้ไปไหนยังเป็นวิ ญ, ญญาณมาคอยอยู่นะั้น ท่านก็เลยเทไปฟังโอ้โหเขาทําบุญเขาเอาแต่บุญเขาไม่ได้ไปเอาวัตถุดอกเขาทําบุญเหมคลางมันเกิดไปที่ใจเขาเอาแต่บุญมันาปราดมันดีทั Ku ้งหลายก็ท si so ําบุญเขาเอาแต่บุญเขาไม่ได้เอาวัตถุสิ่งของหรอกเช่นอย่างสร้างวัดก็คอยเอาวัดเอาคุตติสร้างเจดีก็คอยเอาคุติคอยเอาเจดีย์คอยเอาอะไรไม่ใช่เขาสร้างเขาทําบุญสิ่งนี้ทําเพื่อเอาบุญบุญเกิดไปที่ใจก็หอบหิ้วแต่บุญไปตามบุญทํากรรมของตัวเอง เป็นทางเพศเทศทและให้เขาอนุัมทนาครับ เ, เขาก็เปลี่ยนพกเปลี่ยนภูมิกันทีแม้แต่เปรตพระเาพินิษฐารเหมนกันที่ท่านเลอามาเล่าในติโรพุทธสูตรพระเาพินิษสานเนี่ยถวายเวรุวันถวายว่าเบญรุวันกับพระวิชาลืมอุทิศส่วนบุญให้กับญาติที่เป็นเปรตก็ไม่รู้จักรู้จัอุทิศให้ใครพระวิ้าไม่บอกจะรู้จักอะไรพวก เปรตเหล่านี้ก็มาแสดงตนให้ปรากฏให้พพรษษประชาชนพิศายเขาถามอย่างนี้มากกลัวมากก็เลยไปไปทูลถามพระเจ้าโอ้ไม่ใช่ใครหรอกโอพิษเป็นญาติของพระองค์เองที่พระองค์ทาบุญถวายวัดเวรุวันเนี่ยไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้แก่เขาเขามาทักท้วงเอาทีนี้ประชาชน พ, พ, พิศายก็ทำบุญอะไรอีกมั้งลู้นะเลยอุทิศส่วนบุญให้เปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นเขาก็มานมูรณาได้เป็นที่ พอเข้ามาอนุโมทนาได้เต็มที่คุณชัยพันเนรมิตให้พระเจ้าพิพิสานเห็นพวกเปรตเหล่านั้นเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิของตัวเองทันทีไปอยู่ทุกยากอดอยากลำบากเป็นรูปร่างทพิกลพิการเหมือนเปรตเหมือนผีเหมือนอะไรต่ออไรกลายเป็นคนงามกลายเป็นเทวดาไปชั้นนั้นชั้นนี้นชั้ น, น, นหายไปหมดแล้วด้วยเหตุแค่ไปอนุโมทนาแค่นั้นนี่เราจะเห็นว่าความสําคัญของจิตของเราหนึ่งมันไม่ใธรรมดาความสำคัญของจิตของเราเ แา่รัเปิดใจรับออกบุญแค่นั้นแหละพลังมึงเพิ่มเข้ามาสามารถไปได้ตามคุณสมบัติของบุญเหล่ า, านั้นอันนี้เราไม่แปลกนรอบคน ด, ดีมีสินมีธรรมนี่แหละเอาเราไปยุยมโมโหโดฆ่าคนได้เลยนี่ยนั่นเนะเวลามันเปลี่ยน <c oughs> มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นน่ะฆ่าคนมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆเหมือนองคุริมานพุทธเจ้าเทศด้วยเหตุด้วยคนไม่ฟังแค่เดียวกลับใจได้แล้ว เห็นไหนี่คืออำนาจของใจไม่ปรับใจได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่แปลกเลยที่ว่าท่านหันหันมาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญแล้วท่านก็รัได้พบได้ภูมิทันทีเว่าเขาเขาไม่ต้องไปเกิดเขาไม่ต้องไปเข้าท้องใครเนี่ยเขาไม่ต้องไม่ต้องไปอุ้มท้องไม่ต้องไปคลอดจากใครคนนี้ไปอบัติเกิดขึ้นเลยอ่าให้พรท่นนี้ให้พร เอายามายันเอาให้พรซะเดี๋ยวหมอเขาจะมาดูแลเอาให้พรนะตั้งใจละพรที่ส่วนบุญไปด้วยเราทิ่ส่วนบุญไปเราได้เพิ่มอีกอิติตังปิตตังตุมหังขิพเมวะสมิชตุสเถปูเรนตุสังกะปาจันโป น, นระโสยะขามมิชโชเิระโสยะขาสักีติโยวิวัชนวานตสุปโรโค วินาสต ah ash ash ja ang ang ุมาเตพวัตวันตรายโยสุผีทีคาโยโกภวะอภิวาธนาสิลิสริจังกุฏาปยายิโนเจตตาโรธชมาวัฒนตีอายุวโนสุทามพระรังภวะทุกักพมังพลังรักขันตุสปเทวตาสัพพุทธานภาเวนัสภาโสถีภวันตุเตภวะตุสักพมังพลังรักขันตุสปะเทวตาสัพพมานพาเวนะ สทาโสธีภวันตุเตภวตุสาวประมาณทลังรักขันตุสะเทตวตาสุขสัมคานาเวนะสทาโสธีภวันตุเตนอนเท้าน้าสบายแหละพุทโธพุทโธพุทโธตลอดนี่เจ้าพวงเลยละหมอเขาก็ดูเลยให้เรื่องทั้งหลายทั้งพวงับลูกแล้วดูให้เท้านาอย่างเดียว อันนี้เมื่อกี้คุณพ่อวาเดี๋ยวจะขอเอาไว้ที่นี่ะอไลอเอาไว้บูชาเอาไว้บูชาบนนบูชาตรงไูหมพุเจ้า่ตรงไกมแล้วเดี๋ยวอานัล่อนแล้ว่น่ะ ที่เราอยู่สุขสบายนี่แหละแล้วไม่ลืมไม่ ม, ไมีมความดีแต่ความดีนั้นต้องทำเอาทําโดยไม่ต้องเสียของเสียอะไรแต่ อ, อะไรเลยพุโทโธพุธโทโธอะไะอยู่ที่บ้านอยู่ยของก่อนนอนตีนอนน้องเดียวเอาทั้งคืนเลยใครใครยันทำมากเพะนั้นก็ได้มากรู้ได้ไงมันเปลี่ยนที่สภาพของจิตจิตของเรามันจะเปลี่ยน เราทำไปเถอสะสังเกตเข้าไปที่จิตเราจะรู้มันมีผลแปลกแปลกอยู่ในจิตนั่ะมันจะเบาสมากลองมันไม่หง่งมันไม่กังวลมันไม่อะไรอะไรยิ่งรู้เห็นสภาพสภาวะตามที่มีอยู่เป็นอยู่เข้าไปเห็นด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาคัดกราอยู่นั้นเรื่อยๆเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆไปคอยจะคอยตอนอด อ, ออดแรงเรื่องมคิดถึงมันไม่ทันมันรอ มไม่ทันแล้วดูแต่นางวิสาขาตั้งแต่เจ็ดปีใช่ไหม <sl ope> ก็เป็นพระโสนามันตั้งแต่เจ็ดปีนางวิสาขาเนี่ยขนาดฟังรู้เรื่องบุญบรารมีมีมันรู้เรื่องมันได้นางวิสาขาเจ็ดปีก็เป็นพระโสนาบันพวกสังกิจจาสมณีโสปาตะสมณีติสักว์สมณีสมณีสมณีคนนี้อายุเจ็ดปีเป็นพระอรหันต์เจ็ดปี เนรราหุลเนี่ยอายุเจ็ดปีอ่ะเนรราหุลเขามีคนมาชี้ทางแนะแนวทางบอกให้แต่วิแต่มันยังว่ามนแหละพุทธบา ร, รมีพุทธานุภาพพุทธานุภาพเนี่ยสามารถทำได้ช่วยได้แล้วได้หมดคราดูจะไปสอนนันทาเด้นันทาแต่งงานใหม่ๆน่ะ ยังไม่ได้เข้าไปเข้าห้อง อ, อเข้าห้องอะไรเลยเนี่ยให้อุ้มบาตามไปถึงวัดนั้นถ้าเธอจะบวชหรือถามเฉเยๆไม่สนใจคนแต่งงานใหม่บวชบวชแต่ปายาย่าบวชพระเจ้าค่าบวชแต่ป่ากบวชแต่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่น่าภาวนาอะไรเลยครับยังไงนั้นถ้าภาวนาไม่ได้เลยพะยุ้าคิดถึงผู้สาวที่แต่งงานใหม่เออไปไปไป พาไปหนูนางฟ้ารู้ว่านั้นท่านติดรูปแล้วแค่ตาติดรูปแค่นั่นเองตาติดรูปชลาท่นชลานะ่ะวุฒยาชลาทุกท่านไปก่อนที่จะไปไปเห็นนางฟ้าชั้นแรกๆไปเห็นแม่ลิงก่อนไปไปเห็นนางฟ้าเห็นนาำฟ้าชั้นแรกเป็นไงนั่นท่านงามพระเจ้าค่ะเอาแล้วแล้วไอ้แล้วไอ้ชนบนกัญ น, นี่เขาเธอเป็นไงโอ้ยเหมือนนางลิงพระเจ้าค่ะ ไปอีกชั้นหนึ่งสวยอีกทิ้งไอ้ชั้นนี้ไปแล้วไปขึ้นไปชั้นอื่นขึ้นไปชั้นอีกสวยสวยที่สุดอ่ะอยกได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ไปเจ้าก้าเอออยากได้ลงไปนี่พาวนาเดี๋ยวเราจะเอาให้เ <c oughs> ดี๋ยวบายวิธีพระเจา้าท่านดึงคนออกจากตัญหาราคะมานาักทิฐิอุปาทานที่ไัยุทธาติปัสก <c oughs> ต์ตอนลงไปตั้งใจภาวนาได้เล ทั้งใจภาวนาเมื่อก่อนเนี่ยบวชบวดเข้ามาใหม่ๆหภาวนาไม่ได้พอหลังจากลงมาจากสวรรค์แล้วก็มาคุณเจ้าพาไปสวรรค์กลับมาเอ๊ะทำไมนันทะทั้งใจภาวนาดีแล้วเกินก็เลยมันข่าวมันรอดแล่นลออ่อตอนวันนันทานี่ภาวนาเพราะอยากได้นานฟ้าคนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซี่คนนี้ก็ซุบซิ บ, นน บ, บโอ้ยไอ้เหลือเกินไอ้เขาเพราะไอ้เขาและ้ะมันถอนจิตมันถอนมาจากนานฟ้าไอ้ตัวที่หมายที่จะเอาน่น จิตมันถอนมาแล้วมันอยู่กับเลือกกับตัวแล้วจิตมันถอนมาอยู่กับเนือกับตัวตั้งใจภาวนาไม่นานได้มบรรลุธรรมดูดูพุทธานุภาพของพระสิจ่าดูสิฉลาดไหมฉลาดเลยยิ่งครับถ้าศึกษาไปเท่าไหร่เราเห็นความฉลาดของพรแค่เห็นความฉลาดของพระองค์อย่างเดียวหมดหลวงพี่จิตยินดี อยากเป็นดัน <laughs>